ตอนที่134่ง้ในที่สุดครั้งนี้ก็ได้ลูกชายกูเจียไม่ได้ตอบคําถามของหลีชิงผิงแต่หันไปถามเด็กทั้งสองแทนพวกเจ้าสองคนคิดว่าอย่างไรตั้งใจจะอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อไปหรือจะตามลุงไปอยู่ที่บ้านท่านตาและท่านยายเจ้างเศร้าอย่างมีสีหน้าซับซ้อนเล็กน้อยถ้าลุงข้ากับน้องชายไปพักที่บ้านท่านตาและท่านยายสักสองสาวันเพื่ออยู่เป็นเพื่อนพวกท่านได้แต่พวกเรายังอยากอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อไปครับอื้อๆื้ข้าคิดเหมือนที่ชายเลยเจ้งเศร้าสิงพยักหน้าเห็นพ้อง เจ้าชุนฮาวาถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเด็กที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนโตหากจะบอกว่าไม่มีความผูกพันเลยก็คงเป็นเรื่องโกหกอีกทั้งพวกเขาก็คุ้นเคยกับบ้านหลังนี้แล้วคงไม่ใช่ว่าจะจากไปก็ไปได้ทันทีกูเจียเจ้าได้ยินที่เด็กๆพูดแล้วใช่ไหมสีหน้าของเจ้าชุนฮาวาดูผ่อนคลายลงบ้างเด็กๆไม่เต็มใจจะไปอยู่กับเจ้าเป็นการถาวรกูเจียจ้องมองสองพี่น้องอยู่พักใหญ่ก่อนจะเลิกเซาซีเรื่องนี้งั้นก็ตามข้ากลับไปพักสักสองสามวันก่อนเถอะเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลัง ลงครับหลังจากเจ้างเศร้าอย่างและเจ้างเศร้าซิงตามเขาจาับไปบ้านก็พันเงียบเหงาลงทันตาเจ้าชุนหววรู้สึกไม่สบายใจนางไม่คิดเลยว่าตระกูลกู้จะมีพฤติกรรมเช่นนี้ก่อนหน้านี้พวกเขาโมไปทําอะไรอยู่ตอนเด็กยังเล็กไม่รู้จักมารับไปเลี้ยงดูพอตอนนี้เด็กโตจนได้เป็นภาระแล้วกลับมานึกอยากได้ตัวไปเสียอย่างนั้นคุณแม่พวกเราทานข้าวกันก่อนเถอะค่ะลีชิงพิงเอ่ยปากเพื่อคลายบรรยากาศอันตึงเครียดในบ้านเจ้าชุนหววตอบรับอย่างเหม่อลอยกินเถอะ เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่คนในตระกูลเจิ้งให้ความสนใจไม่น้อยเจ้าชุนฮวาถึงกับเริ่มสงสัยตัวเองว่าในช่วงที่ผ่านมานางละเลยเด็กๆไปจริงๆหรือไม่นางกับลูกสะพ้ยแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยนางยิงคงรับหน้าที่หลักในการดูแลสองพี่น้องส่วนชิงทิงดูแลหลานชายตัวน้อยอีกทั้งลูกสะพ้ยยังตั้งคันอยู่ย่อมต้องเหนื่อยยากมากกว่าปกติเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าเลยเหตุใดเจ้าถึงต้องมานั่งตำหนิตัวเองเช่นนี้ท่านผูเท่าเจิ้งกระแสไหแล้วเอ่อยขึ้น หากพวกเขามันคิดจะพรากเด็กไปมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกอย่างน้อยที่สุดก็ต้องดูความสมัครใจของเด็กๆ เ, เองด้วยเธอข้าแค่กลัวว่าเด็กสองคนนี้จะเป็นเหมือนเส้าเหิงสถานการณ์ของพวกเขาไม่เหมือนกันเสาน้าเหิงกลับไปเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆแต่ถ้าเด็กสองคนนี้ไปอยู่ตระกูลกู้ความเป็นอยู่ก็คงไม่ต่างจากที่บ้านหลังนี้เท่าใดนักเจ้าชุนฮวารู้สึกประหลาดใจที่ช่วงนี้มีเรื่องกวนใจมากมายเหลือเกินหักลูกชายและลูกสะใภ้คนเก่ายังมีชีวิตอยู่เรื่องพวกนี้คงไม่เกิดขึ้นแน่นอน เวลาสองวันที่หลีหวันอยู่บ้านผ่านไปอย่างรวดเร็วนางรู้สึกเหมือนเพิ่งกลับมาก็ต้องเตรียมตัวกลับโรงเรียนเสียแล้วเจิ้งอวิ๋งขับรถไปส่งนางที่โรงเรียนพร้อมกับเอ่ยถามว่าปรับตัวที่โรงเรียนได้หรือยังตอนนี้ยังมีเพื่อนนักเรียนคนไหนรังแกนางอีกหรือไม่คุณพ่อคะตอนนี้คนทั้งมหาวิทยาลัยใครบ้างจะไม่รู้ว่าพ่อของข้าเป็นถึงรองผู้บัญชาการกองพลไม่มีใครกล้ารังแกข้าแล้วคะหลีหวันยกยิ้มที่มุมปากท่านวางใจได้เลยอืมพ่อวางใจ เรงวินชงเห็นว่านางไม่ถูกรังแกก็พอใจแล้วหากเรื่องคราวก่อนเกิดขึ้นอีกเขาจะเปลี่ยนตัวอธิบดีของโรงเรียนนางแน่นอนในเมื่อหลักการง่ายๆของการสั่งสอนคนยังไม่เข้าใจอธิบดีคนนี้ก็ไม่จําเป็นต้องดํารงตําแหน่งต่อไปหลิวันถือโอกาสถามถึงการตั้งครรภ์ของมารดาอาการแพ้ท้องในครั้งนี้เหมือนกับครั้งก่อนไม่มีผิดเพี้ยนสิบส่วนคงเป็นลูกชายอีกแน่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าบ้านก็จะมีน้องชายเพิ่มมาอีกคนคุณพ่อข้ท่านกับคุณแม่คงไม่ได้คิดจะตามหาลูกสาวต่อหรอกใช่ไหมคะ ไม่หอกพ่อคลอดคนนี้แล้วก็พอแล้วพ่อกับแม่ของเจ้าไม่มีแรงจะดูแลเด็กเยอะขนาดนั้นหรอกเจ้างวินนชงสายหน้าสําหรับเขาจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวก็ไม่สําคัญได้ทั้งนั้นแน่นอนว่าในใจลึกๆเขายังคงหวังว่าจะเป็นลูกสาวการมีเสื้อนมตัวน้อยเพิ่มใหม่อีกสักคนก็คงไม่เสียหายอะไรความคิดนี้เจ้งางวินชงไม่กล้าบอกหลีชิงผิงตรงๆเพราะเกรงว่านางจะกดดนันเสื้อผ้าที่เสีย่ยอูเคยใส่เสี่ยวเลี้วก็คงได้ใช้พอดีเลยค่ะหลีหวานพูดเป็นใน เจ้งางวิญชงรู้ดีว่าลูกสาวของเขาตรวจชีพจรได้แม่นยำเสมอในใจจึงคิดว่านี่คงเป็นการยืนยันว่าเป็นลูกชายแน่นอนแล้วดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นเมื่อตั้งคันได้สี่เดือนก็สามารถไปตรวจที่โรงพยาบาลได้ว่าเป็นชายหรือหญิงแต่หลิวเคอเคอยังคงดึงเชงไม่ยอมไปตรวจจนกระทั่งถึงเดือนที่หกนิวซูเฟิรนก็เริ่มรอไม่ไหวข้าบอกให้เจ้าไปตรวจที่โรงพยาบาลมันยากเย็นนักหรือไงรู้ว่าเป็นชายหรือหญิงพวกเราจะได้สบายใจทำไมคะ พูดความจริงในใจออกมาแล้วหรือถ้าเกิดในท้องเป็นลูกสาวท่านจะให้ข้าไปทําแท้งหรือไงลิวเคอเคอร์ด่กลับด้วยน้ําเสียงประชดประชันข้าจะบอกให้นะ้ำไม่ว่าในท้องจะเป็นตัวอะไรเด็กคนนี้ก็ต้องเกิดมาตอนนี้จะให้เอาออกมันสายไปแล้วตอนนั้นท่านเองไม่ใช่เหรือที่บอกว่าลูกชายร้อเปอร์เซนตอนนี้กลับอยากรู้ว่าเป็นชายหรือหญิงที่แท้คําพูดที่ท่านเคยพูดมาทั้งหมดก็แค่หลอกข้าสินะชีเจ้าพูดจาได้หน้าเกล็ดนะข้าจะหลอกเจ้าไปทําไมข้าก็แค่อยากให้เจ้าไปให้หมอยืนยันดู หนิวซูเฟินกรอกตาช่วงที่หลิวเคิรเคิรตั้งคันรถนิยมการกินต่างจากตอนท้องลูกสาวอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะการชอบกินของเปรี้ยวซึ่งมันตรงกับตำราที่ว่าเปรี้ยวได้ลูกชายเผ็ดได้ลูกสาวแต่ดูพวกนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์วิธีเดียวที่จะยืนยันได้คือถามท่านหมอคุณไม่อยาพูดเรื่องไร้สาระพวกนี้เลยลูกสาวข้าก็ยอมรับได้โจวเจี้ยนเย่ยกล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉยนั่นก็แค่แสดงว่าชาตินี้ข้าไม่มีดวงจะมีลูกชาย ไอ้ายาเจ้าพูดจะอภิมงคลเช่นนี้ได้อย่างไรหากเจ้าไม่มีดวงมีลูกชายแล้วตระกูลเราจะสืบทอดวงตระกูลได้อย่างไรนิวซูเฟิรนรีบสั่งให้เขาถุยถุยออกมาทันทีเพื่อขับไล่คำพูดอภิมงคลเหล่านั้นหน้าที่การงานของโจเจียนเยี่ยในเขตทหารยังคงไม่มีความก้าวหน้าใดๆตอนนี้เขาได้รับเพียงเงินเดือนขั้นต่ำสุดในใจจึงรู้สึกร้อนรนเขาเกรงว่าต่อให้ได้ลูกชายมาจริงๆก็คงไม่มีปัญญาเลี้ยงดูเขาเลี้ยงไม่ไหวแน่ โจเจียนเย่ยกลัดกลุ้มจนนอนไม่หลับในตอนกลางคืนผิดกับมารดาของเขาที่ไม่มีความกดดันแม้แต่น้อยในปากยังคงพร่ำเพรอแต่อยากได้หลานชายไม่รู้ว่าเป็นเพราะหนิวซูเฟินพร่ำบ่นอยู่ที่บ้านทุกวันหรืออย่างไรในที่สุดหลิวเคอเคอก็คลอดลูกคนที่สองออกมาเป็นลูกชายเรื่องนี้ทำให้หนิวซูเฟิรนดีใจจนแทบบ้าในวินาทีที่คลอดเสร็จและรู้ว่าได้ลูกชายหลิวเคอเคอก็ลอบผ่อนหายใจด้วยความโล่งอกในที่สุดนางก็ไม่ต้องทนคลอดลูกต่อไปอีกแล้ว นางสามารถยืนหยัดในตระกูลโจได้อย่างมั่นคงเสียทีจากนี้ไปไม่ต้องทนดูสีหน้าของพ่อสามีแม่สามีอีกเด็กคนนี้มาได้ถูกเวลาจริงๆลีชิงผิงคลอดลูกที่โรงพยาบาลเดียวกับลูกคนที่สามของนางก็เป็นลูกชา ย, ชายเช่นกันเป็นการคลอดธรรมชาติที่รวดเร็วมากเหมือนกับตอนคลอดลูกคนที่สองไม่มีผิดหนิวซูเฟินถึงกับแอบวิ่งไปสืบดูว่านางคลอดได้ลูกชายหรือลูกสาวพอได้ยินว่าได้ลูกชายอีกแล้วนางก็เบะปากด้วยความริษยา ช่างมีวาสนาดีเสียจริงคลอดลูกชายติดต่อกันสองคนต่อไปคงได้เป็นใหญ่เป็นโตในตระกูลเจิ้งแน่ตอนนี้หนิวซูเฟินรู้สึกว่าหลีชิงถิงดวงดีเกินไปแล้วโจวเจี้ยนเย่ไม่ได้ยินว่าได้ลูกชายก็ไม่ได้ดูดีใจมากนักตรงกันข้ามเมื่อได้ยินว่าหลีชิงถิงคลอดลูกอย่างปลอดภัยสีหน้าของเขาจึงค่อยๆดูดีขึ้นมาบ้างนางปลอดภัยก็ดีแล้วหนิวซูเฟินใช้ศอกกระทุ้งโจวเจี้ยนเ ย, ย่อย่างแรง เดี๋ยวตอนอยู่ต่อหน้าเคอรเคอเจ้าห้ามแสดงท่าทีเป็นห่วงลีชิงทิ้งเด็กขาดต่อให้คนอื่นจะคลอดลูกชายได้ดีแค่ไหนนั่นก็ไม่ใช่ลูกของเจ้าถึงเจ้าจะไม่ชอบเคอรเคอเพียงใดแต่นางก็เพิ่งคลอดลูกชายให้เจ้าเจ้าต้องรู้ว่าฝ่ายไหนสำคัญกว่า